ใครตีนทะลุบ้างเดินจุ ก, กรมเนี่ยเรามีรางวัลให้นะไม่ใช่ตุ๊กตาทองนะเนี่ยแต่มีพระพุทธรูปทองให้อุ้มกลับบ้าน <c oughs> ให้เนาะรูตายเห็นว่าพวกดาราหนังเนี่ยเขาแสดงอยู่กี่ปีฮะหมดอายุการใช้งานเนี่ย ดาราเนี่ยประมาณเดี๋ยวนี้ยิ่งนะเขาแข่งขันกันเขาเอาเข้ามาเข้ามาเลยแล้วจะหมดอายุไหวประมาณ5ปีหมดนะเดี๋ยวนี้ดารานี่ดังอยู่ประมาณ5ปีถ้าได้ก็ได้ไม่ได้เขาก็ปวดระวังแล้วนะดาราภาพยนตร์ที่แสดงหนังคิวบูมากที่สุดที่บรรจุลงไปในกินเสบุ๊บทเสียงตายมากที่สุดได้แก่ โลกนี้นะในโลกนะนะใครนะเฉินรู้เนะนะนะฉินไม่ใช่เฉินหลงนะเฉินรู้นะเฉินรู้มากที่สุดในโลกนะเฉินหลงเนี่ยแจ็กกี้ชางเนี่เดี๋ยวนี้เขาอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังลงบทรู้อยู่แล้เนี่ย ก็ยังอยู่บทบูเนี่ยทินเวสเตอร์สตาร์โลดเนี่ยเขาหยุดแล้วห้าสิบเท่าไหรแล้วเนี่ยนิรุสสิริจัญญายังแสดงอยู่ไหมอายุเท่าไหรแล้วหกสิบห้าหสิบห้าปีเลยนะไอ้หมอนี่คนไปแสดงหนังในคนเขาไม่เคารพนะนเขาเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้ไอ้สมบัติ ไอ้ฉัดชัยไอ้นั่นบักนั่นบักนี่นะเขาไม่เรียกว่าคุณพ่อนะนี่คุณรู้หรบักนั่นบักนี่ใครเนี่ย บ, บักฟิ ม, มบักฟิมบักคือลุตากำลังจะพูดว่าดารานี่อยู่ประมาณนั้นแล้วเขาก็ปวดระวางไปบางคนไม่ยอมรับการระวางนะสวกเสียใจชีวิตเราเอา้าทีนี้มันมีเวลาปวดระวางนะทินี้เรากำลังแสดงบทบาทนะ เป็นเด็กกี่ปีเป็นหนุ่มสาวกี่ปีเป็นพ่อเป็นแม่คนกี่ปีเป็นผู้ไม่ทุกข์นี่เล่นกี่ปีเดี๋ยวนี้เรากาลังเล่นละคร น, นะเดี๋ยวนี้ชีวิตเหมือนเราเป็นดาราภาพยนต์เนี่ยเดี๋ยวก็ดับก็หมดปลดระวางอะชีวิตเราก็เหมือนกันกำลังเล่นเดี๋ยวนี้แต่อีกสักหน่อยเดี๋ยวก็หมดแล้วเนี่ย คือมันไม่น้อยอ่ะแต่เราไม่ยอมรับ ว, ว่าชีวิตเรามีการปลดระวางนะเรากำลังสนุกส น, นั้นเพลิดเพลินกับสิ่งที่เรากำลังมีกำลังจะเป็นนั่เนี่ยจริงเราปลดละวางทุกทุกวันนะเราไปแสดงบทรักบทชั่งบทโกรธมีตัวกํากับอยู่ในชีวิตเราเนี่ยผู้กํากับบทก็คือตันหานี่แหละเราต้องเล่นไปตามบทบาทที่มันอยากให้เป็นเราก็เล่นไปแต่ตอนกลับเข้ามาบ้านก็เหมือนเดิมคนทุกคน มีละครชีวิตที่ต้องเล่นแต่คนทุกคนก็คือเล่นแล้วก็เป็นทุกข์นะอยู่กับทุกข์อยู่กับความปรุงแต่งจริงๆชีวิตจริงของเราก็คือไม่ได้ปรุงแต่งนะไม่ได้ทุกข์ไม่ได้หงุดหงิดไม่ได้อืดดัดขัดเครื่องเราอยากลาออกเราไม่อยากให้ใครมากำกับชีวิตเราอย่างเขาเอาเราไปแสดงนะหนังแสดงละครเนี่ย เราต้องถูกกำกับบทนะตรงแสดงเป็นอันนี้แสดงเป็นอันนี้แสดงเป็นอันนี้ทําให้มันคือทําให้มันเหมือนจนทั้งได้ดาราเป็นตุ๊กตานะตุ๊กตาของจริงไหมไม่ใช่ของจริงเห็นไหมแสดงไปแสดงเขากํากับบทเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายถูกตันหากํากับบทความคิดมันกํากับบทไม่ใช่อิสระภาพในะชีวิตเดี๋ยวนี้ มันให้ทำมันนั่นเราต้องทำให้ทำอันนี่นเราต้องท ำ, ท ำ, นนง ท, ำทำตามมันนะ่ะกรรมกับบทว่าทำตามมันล่ะในขณะเดียวกันเราก็ลังแสดงดีๆอยู่บทที่คนอื่นก็มาแย่งเอาทีนี่บทแม่ค้าขายผ้าเขาก็บังคับจะให้แสดงบทนั้นบทนี้นะไม่แสดงตามเขาแลวไม่แสดงตามเขาเขาก็ไม่ให้ผ่านสม อ, อไม่ให้ผ่านเนี ตายละมึงมาดูไปไม่ผ่านการประเมินเห็นไหมคนเลยเข้ามายุ่งกับชีวิตเราทีนี้เราแสดงโดยที่ไม่ต้องยุ่งเลยไหมเขากลับบทต้องจบชั้นปริญญาตรีจบชั้นปริญญาโถปริญญาเอกนะต้องจบนะ้าไม่จบไม่ได้ต้องทำงานแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ ต้องแต่งชุดอันนี้นะเนี่ยเห็นไหมตายพอดีแต่สองโมงต้องเข้าตารางสี่โมงครึ่งต้ออดออกนอกตารางมันจะเป็นอย่งนี้ตารางเวรคุณหมอไปไ ป, ไ ป, ไปทำอะไรโอ้ยติดเวรตายเวรกรรมนะนะมันเวรเวรเป็นกรรมอยู่นั่นแนหะเราเข้าไปอยู่ในคกุกในตารางตลอดเวลาแต่ว่าเราอิสระไม่ชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไรอะ ทำไมต้องเข้าไปอยู่ในเวทในกรรมอยู่เรื่อยๆกรรมกรรมกรรมรู้จักกรรมไม่หนีหนีกรรมนี่หกรรมกรรมเนี่ยกรรมลูกกรรมผัวกรรมอะไรบังคับให้กรรมอืมตันอืมมันตันแล้วก็หาหาก็ไม่เห็นเนี่ยตันหาแปลว่าตาหันตามันหันะมันหันกลับมันไม่ใช่อรหันอรหันก็คือไม่หันแล้ว แต่ตาหันเนี่ยตัณหามันยังออกไปอยู่นั่นเราก็ไม่ให้มันมีม่มีไงคือเอาไม่ต้องเอาตัณหามากํากับบทชีวิตตื่นเช้าสบายโปร่งโลงบางคนว้าไแม่เจ้าจะมากํากับชีวิตของเด็อขวัญสินน้อนจน Ooh, แหน่งไ่ได้เมืน้อนั้นก็แสดงว่าอะไรยังกำกับอยู่ตัณหาอวิชชายังไม่รู้เนี่ยถูกกํากับบทชีวิตเราออกไม่ได้พ่อแม่ เขาอยากเป็นสติแทนเราเขาเห็นว่าเฮยลูกมันเป็นทุกข์นะเ น, นี่ยถ้าไม่รีบขวนขวายไม่รีบปฏิบัติไม่รีบตื่นตัวเนี่ยอนาคตของลูกจะดับน ะ, นะพนะเนี่ยเขาช่วยช่วยกํากับชีวิตเราให้แต่พ่อแม่ก็ยังไม่รู้ลึกกว่านั้นต้องไปหาผู้กํากับนะผู้กํากับหนังระดับจางเซจะดีมาก <c oughs> เคยดูไหมหนังจางเซกํากับเนี่ย ตอนนี้บุมาคูนจางเสือจางเสือกำกับหนังชอไงหนังชอบลาเดอร์ทั้งส่วนมากจางเสือนะลองดูดิวันวันหนึ่งเอาตัดมันออกมึงจะมากำกับชีวิตกูกูจะเดินให้ใช้สติกำกับสติเนี่ยมัน ไม่ได้ทําเป็นพิษเป็นภัยกับชีวิตเราอะ่ะมันไม่ได้ขู่เข็นไม่ได้อะไรได้แต่รู้เฉยๆรู้แล้วก็ปล่อยผ่านรู้ก็ปล่อยผ่านคือตัดวงจรออกไปอะ่ะตัดออกตัดออกตัดออกไม่ให้มันมีอะไรเลยมันก็เหลือแต่รู้มีแต่โล่งมีแต่โปร่งมีแต่สบายชีวิตก็เป็นไปตามธรรมชาติอย่างจิตเราเนี่ยมันมีตัวกํากับจิตอีกทีหนึ่งนะตัวตัณหาเนี่ยข้างนอกก็มีตัวกํากับคือระเบียบวิ น, นัยทั้งหลายทั้งปวงสังคมพวกเนี่ยมันยาก จนบางคนคิดมากคิดมากจะได้ไปลดน้ำมนต์บางทีเนี่ยเอาน้ำมนต์พระกำกับการแสดงอีกต่างหาเป็นคาถานโน้นคาถานี่าวุ่นวายเลยเลิกนะเลิกให้คนอื่นมากำกับชีวิตเราเสเถอะจงปลดปล่อยชีวิตตัวเองเข้าสู่ดินแดนแห่งสัจธรรม